เป็นวันอุโบสถทั้งของพระภิกษุสามนเณรและญาติโยมแต่ว่าพวกที่มาทำบุญถวายทานตอนเช้ามันก็ได้แต่สมทานสินห้าสินอุโบสถไม่ได้เลยมีแต่แม่ชี สมทานสินแปดกันคนเรานะทำอะไรเมื่อมองไม่เห็นผลสิ่งนั้นด้วยปัญญาของตนจริงจังเช่นนี้มันก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยเต็มใจทำ ม, มักจะทำะเพื่ขอไปทีอย่างนี้แหละ อ้าวเราดูข้อาภาษาียงค่อยมาสมทานศินอโมสด ร, รักษาชั่ววันหนึ่งเคืนหนึ่งหันตกและวดูแล้งมาแล้วไม่ทราบมีธุระอะไรรักษาศินอโมสดไม่ได้เลยไออย่างนี้มันน่าขำไปเลือกการเลือกเวลาอยู่กการทําความดีโดยเฉพาะคนอายุมากแล้วอย่างนี้เนะ่ะมันก็จะไม่มีธุระอะไรมากมาย ก็มีลูกหลานทําแทนอยู่แล้วมันก็ควรที่จะคิดจะพิจารณาว่าชีวิตของเรามันจะ ก, ก้าวไปได้จะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปได้นะมันก็เพราะอาศัยการกระทาความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าไปทำความดีอยู่แต่ของเก่าย่าต๊อกอยู่ของเก่า เช่นนี้บุญกุศลมันก็ไม่เจริญขึ้นไปกว่าเก่ามันก็เท่าเดิมไปคนเราไม่คิดยังไาทาั้งที่มีโอกาสจะทำได้อยู่ก็ไม่ทำนั่นเนื่องจากว่ามองไม่เห็นผลแห่งการกระทานี้ว่ามันมีผลดีสูงขึ้นไปเรารลำดับอย่างนี้ไม่พิจารณาไม่เห็นเลยเพราะนั้นการรักษาโสดสิน ในวันเข้าพรรษาตลอดออกพรรษานี่ก็ทำตามประเพณีเฉยๆแต่ภายในจิตใจ ย, ยังไม่เห็นอา น, นิสงส์อย่างลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งถ้าหากวาเห็นอา น, นิสงส์อย่างลึกซึ้งจริงว่าตอนนั้นมีโอกาสที่จะรักษาโอ บ, โบสุศดได้ทั้งแรงทั้งฝนเราจะต้องพยายามรักษาให้ตลอดชีวิตนี่แหละว่าไงนะ เพราะว่าจะได้เพิ่มภูณบูรุษกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับเพราะอานิสงส์รักษาโอสถสินนี่ก็นอกจากที่ว่าจะให้เจริญด้วยอายุวันณะสุขพะพละปฏิทานปฏิทานธานสารสมบัติสัางแล้วมันก็จึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้ออกบวชในพุทธศาสนา อย่างนี้นะคิดไม่เห็นเลยคนนี่หมายความว่ า, จ, ว า, า, าจิตใจมันไม่ฟกไปทางบวชเหตุ น, นั้นข้อปฏิบัติอะไรจะเป็นไปเพื่อให้ได้บวชเรียนในาศาสนาไม่เอาผู้ที่เห็นอานิสงส์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์ดังกล่าวมานี้ก็มั่นใจในข้อปฏิบัติเหล่านี้ เช่นผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวโกนผมโกนคิว้วสำมาทานสินแปดแล้วก็ทำข้อวัดปฏิบัติอันเป็นหน้าที่ของผู้เป็นอุปสกอธิกาอย่าพึงกระทำไปไม่ท้อไม่ถอยไออย่างนี้นะชื่อว่าเป็นผู้มีทั้งศรัทธามีทั้งปัญญามองเห็นแนวทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้ด้วยข้อปฏิบัติ ดังกล่าวมานี่ก็จึงได้มั่นใจอยู่อส่วนมากผู้เทศเข้ามาบวชเป็นชีเป็นเขาก็ไม่ค่อยศึกกันถ้าถึงจะศึกก็มีน้อยนี่ก่อนหน้าชมอยู่เหมือนกันส่วนผู้มาบวชเป็นพระเป็นเนนนี่ในพรรษาหนึ่งๆออกพรรษาแล้วเหลือน้อยผู้ที่มั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์เหลือน้อยเต็มที นอกนั้นแล้วก็ถึกษาลาเพศไปอย่างนี้ก็แสดงว่าการบวชมามาประพฤติพรหมจรรย์นี่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยไม่สามารถบันเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากขีดใจกิเลส ท, ที่มีอยู่ในข้าวเป็นกครื่งหัดเท่าใดเมื่อมาบวช้วก็มีอยู่เท่านั้นไม่ลดลงบางทีอาจจะเพิ่มขึ้นซ้ำ เหตุนั้นมันถึงบุพฤติพมจรย์ต่อไปไม่ได้การบรุพฤติพมจันนี่จะอยู่ได้นั้นต้องอาศัยการบรรเทากิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากขิจใจให้ทำใจให้ถึงความสงบแม้จะไม่นานก็เรียกว่าทำความสงบได้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็พยายามทำบ่อยๆเข้าไป มันก็ไปเห็นอานิสงส์เห็นความสงบใจนั่นว่าเป็นสุขอันยอดเยี่ยมกว่าความสุขอย่างอื่นเมื่อไม่เห็นตรงนั้นแล้วมันก็ตั้งใจภาวนาพยายามทําใจให้รวมลงเป็นหนึ่งให้อารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันถือเรานั้นดับไปใจรวมเป็นลงเป็นหนึ่งแล้วก็มันสุขสบายเป็นอิสระเสรีอยู่โดยลําพัง ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับความรักกับความชังกับความหลงความเมาต่างๆาจิตสงบเป็นหนึ่งเบิกบานอยู่อย่างนั้นมันก็มีอิสระที่วันนี้นะเ น, นี่ยไม่ทุกข์ไม่โศกอะไรเลยแต่ละวันแต่ละคืนก็นี่หวังว่าผู้ที่บวชชีบวชขาวบวชพระก็ดี กับเพลิดเพรินอยู่ไปได้นี่ก็หวังว่าคงทำใจให้สงบระงรับลงไปได้ตามกำลังความสามารถจนเห็นผลขึ้นในใจว่าความเป็นอยู่ของเรานี่ในภมจิดเพลินนี่นับว่ามีความสุขสบายพอสมควรแล้วไม่จำเป็นที่เราจะตรงดิ้นลนไปหาที่พึ่งอย่างอื่นไปเลยอื ผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แนละ้มันก็จึงมั่นอยู่ในพรหมาจรรย์ได้เพราะว่าใครประพฤติทําอย่างไรคนงามความดีมันก็มุ่งหวังความสุขเป็นผลนั่นเมื่อทําลงไปแล้วมันได้รับความสุขกิจสุขใจมันก็มั่นใจอยู่ในการกระทํานั้นเออมั่นใจอยู่ในเพศนั้นก็อย่างนี้แหละไอ้ผู้ที่จะประพฤติพรหมาจรรย์ ไปได้ตลอดรอดฝั่งจนเท่าจนแก่จนตายก็ว่าได้เพราะฉะนั้นพวกเราผู้ประพฤติธรมจันทร์มาพอสมควรอยู่แล้วคนละสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีขึ้นไปถึงสิบปีก็มียี่สิบปีก็มี อันนี้ก็สมควรที่จะประเมินผลแห่งการประพติธพเมจรให้ได้ว่าจิตใจของเรามั่นคงเพียงใดกิเลสน้อยเบาบางออกจากจิตใจเพียงใดนี่ทุกคนต้องทบทวนดูตัวเองจะให้คนอื่นพยนากรให้ไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องตรวจการดูตัวเอง มันก็ต้องรู้แหละเพราะว่าตนเองก็หมายถึงดวงจิตนั่นเองนะเมื่อทาสมาธิภาวนาไปจิตตั้งมั่นมีสติประครับปรบคองจิตได้อยู่เนี่ยมันก็ยอมรู้เรื่องของตัวเองว่าตนเองนั้นน่ะมีจิตใจสงบระ ง, งับมากน้อยเพียงใดแล้วกิเลสในใจนี่เบาบางลงไปเพียงใด ใจของเราผ่องใสเบิกบานอย่างไรบ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องรู้ตัวเองถ้าก็รู้เห็นตัวเองว่าเป็นผู้ไม่ประมาทประคับประคองจิตของตนเองมาได้โดยลำดับไม่ยอมปล่อยให้กิเลสอันหยาบคลายไายขาดต่างๆมาครอบงำจิต จนได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นอันกินอันนอน เ, ออเรียกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นจึงประพฤติพรหมจรรย์ติดต่อกันมาได้ออแล้วก็ในการต่อไปก็พึ่งพากันทำความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนอย่าไปเข้าใจว่าเราสบายแล้วแล้วก็ประมาทเสียไม่ค่อยนั่งสมาธิภาวนาเอาแต่การ ง, งานอื่นนูน่น มาเป็นเครื่องอยู่เช่นนี้ไม่สมควรเลยเราต้องถือเอาการนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นเรื่องสำคัญกว่าการงานอย่างอื่นหมดการเป็นนักบวดนี่ให้เข้าใจเพราะว่าเมื่อเราทำใจไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความดีอย่างอื่นอยู่ในวัตวาศาสนานี่เลย มันก็กลับเข้าไปคุกทีตีโมงอยู่ในบ้านน่นเนี่ยเป็นยางนั้นดังนั้นเมื่อรู้ว่าจิตใจของตอนยังวุ่นวายอยู่เนี่ยก็ตั้งหน้าทำความเพียรติดต่อกันไปแล้วขออนุญาตผู้เป็นหัวหน้าว่าขอทำความเพียรเพราะเวลานี้จิตใจมันไม่ตั้งมั่นเสแล้ว กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อคมจรรย์เมื่อผู้หัวหน้าหรือหมู่คณะได้ทราบความมุ่งหมายอย่างนั้นแล้วเพื่อนก็คงไม่มุ่งหวังที่จะให้มาคุกทีการงานเกินประมาณก็เปิดโอกาสให้ตนก็ตั้งใจทำความเพียรจริงๆจนเอาชนะหัวใจตัวเองได้ใจมีอิสระเสรีขึ้นมาใจตั้งมั่นโดยดีแล้วเช่นนี้ก็จึง ทำกิจวัตรภายนอกต่างๆให้เต็มกำลังต่อไปโดยเฉพาะก็ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวเนี่ยนับว่าหน้าสำนัเสริรเยินยอมมากมเพราะว่าการรักษาศีลแปด น, นี่มันก็ถ้าไปยุ่งกันเรื่องครัวเรื่องอาหาร เข้าไปแล้วบางคนอาจจะหิวขึ้นมาถูกกลิ่นอาหารในเวลาวิการเช่นทำเลี้ยงผู้เลี้ยงคนต่างๆนี่แต่ก็ยังทำกันได้สแสดงว่ารู้เท่าถึงแม้จะมีกลิ่นหอมกลิ่นอะไรต่ออะไรมาแตะจมูกเราก็รู้เท่าทันสัมรวมจิตไว้ไม่ยินดียินไา่กับอาหารการบริโภคต่างๆเหล่านั้น ตั้งความหมายลงว่าเราทำเพื่อต้อนรับแขกเพราะว่าถ้อยทียถ้อยอาศัยกันถ้าไม่มีคนมาสนับสนุนเอาเราก็อดกันเนี่ยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาแล้วอย่างนี้เราก็ต้องต้อนรับให้ความสะดวกเขาอ่าก็รู้ไปกรุงเทพเ่ยเขาไปหาไปพบได้ไปวัดอรัญวญาณพธ์แม่ ได้รับการต้อนรับอย่างดีมากอาหารการบริโภคก็อร่อยดีที่นอนก็นับว่าสะดวกสบายอะไรเขาก็ไปสรรเสริญเยนยอให้ฟังอยู่ที่กรุงเทพนูนน่นนะสรรเสริญพวกคณะทีว่าโอ้ต้อนรับปลาัสดีเหลือเกินอันนี้แหละเป็นเครื่องจูงใจให้เขาชักชวนกันมาบำเพ็ญบุญกุศลในวัดเรา คอยพากันเข้าใจแล้วพวกเราก็ได้อาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านเหล่านั้นจึงค่อยเป็นอยู่ได้อืมเหตุนั้นจึงว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเขาก็อาศัยเอาบุญกับเราเราก็ได้อาศัยปัจจัยกับเขาเพื่อดํารงชีพอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่ถ้าหากว่าเราไม่บํารุงร่างกายอันนี้ไว้ ปล่อยให้มันอดมันผอมมันโซลงไปมันก็ไม่มีกําลังที่จะประกอบความเพียรได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะขอให้พากันเข้าใจดังนั้นถ้าผูใ้ใดไม่ทุกพลละภาพมากแล้วก็เอ้าตั้งใจลงไปทำประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นควบคู่กันไปพระภิกษุสามเณรก็ทำหน้าที่คนละอย่างกัน ทำหน้าที่บินทบาตแล้วก็ทําความสะอาดในเสนาสะนะทั้งที่อยู่ของส่วนตัวและส่วนรวมนี่ช่วยกันพร้อมกันอย่าไปทอดทิ้งให้คนใดคนหนึ่งหรือหมู่ใดหมู่หนึ่งทำอันไม่ถูกต้องแบบนั้นน่ะมันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือได้เล็กๆ็กน้อยๆอยก็เอาเพื่อแสดงความสามัคคี ต่อกันไม่ให้เพ่งเลงซึ่งกันและกันถ้าเห็นคนอื่นทําอยู่แล้วตนเองเออเพื่อนทําแล้วแหละเราไม่ต้องทําเราค่อยไปทําโอกาสหน้าต่อไปวิคิดอย่างนี้แล้วปรเมินเฉยเสียอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องจะต้องทําคนะเล็กคนน้อยก็เอาเพื่อแสดงความสมัครสมานสา ม, สามัคคี ให้ปรากฏในหมู่ในคณะแล้วจะไม่ได้เพ่งเลงกันเลยกันอขอให้พากันเข้าใจตามนี้ทำอะไรอะไรขอให้พากันนึกถึงความสามัคคีให้มันมากมความที่เราพองรองกันสามัคคีกันอยู่ด้วยกันได้นี่นะมันมีเป็นพระกำลังสำคัญมากในพุทธศาสนานี่นะเมื่อภิกษุสามนเณร แล้วแม่ชีแม่ขาวอะไรปองรองสา ม, มัคคีกันดีช่วยกันทำกิจที่ควรทำอนอกจากกิจการในเสนาสะนะในอารามอันเป็นประจำวันแล้วแล้วก็ทำการปฏิสันฐานต้อนรับแขกคนไปมาแต่อย่างนี้นะเรียกว่าเรามีการมีงานทำอยู่อย่างนี้ การงานที่ทำนี่มันล้วนแต่เป็นบุญกุศลล้วนแต่เป็นการส่งเสริมให้บุคคลได้บาเพ็ญบุญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นนี้แล้วจิตใจมันก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยภา ย, ภายนอกเขราใจมันอยู่ด้วยกิ จ, จวัตรทั้งภายนอกทั้งภายในนี่ให้พากันเข้าใจไว้ถ้าไปนั่งนั่งนอ น, น, อนๆอยู่เฉยเย อาจะตั้งหน้านั่ง ส, สมาธิภาวนาจริงจังก็ไม่ไหวก็มีแต่นั่งนั่ ง, น, งนอ น, น, อ, นอยู่เฉยๆอย่างนี้บางเขาก็าจับหนังสือมาดูดูดูดไปอ่านไปเท่านั้นแล้วอย่างนี้นอยหนึ่งก็งุเหงาขึ้นมาแล้วว่าเวขึ้นมาจิตใจก็พุ้งเลื่อนลอยไปอะไรแบบนี้นะอืเลื่อนลอยไปหาอารมณ์นั้นที่ให้ละเลงบันเทงิงต่างๆเข้าไปแล้ว นี่นะมันไม่ใช่เป็นผลดีนะความเกลียดคล้านเนี่ยความทอดทุระในข้อวัดปฏิบัตินี่มันทําให้จิตใจพุ่งสั้นเพ้อเพ้อเพลินมัวเมาไปได้เหมือนกันให้พากันเข้าใจถ้าเราเอาใจจดจ่ออยู่ในข้อวัดปฏิบัตินี้อา้าวถึงเวลานั้นทําอย่างนั้นก่อนนึกได้ทันทีแล้วก็ลงมือทําถึงเวลานั้นทําอย่างนี้อ้าวก็ลงมือทําไป ไม่ให้การงานลึกครอบวัดปฏิบัติอันนั้นโบกค้องอืเช่นนี้จิตใจมันก็ไม่ได้มีโอกาสได้พุ่งสั้นลาคาญไปภายนอกแล้วเพราะมันจดจ่ออยู่กับข้อวัดปฏิบัติอืมนอกจากทําข้อวัดภายนอกแล้ววันนี้ก็เอากับภาวนาน้อมสติเข้ามาสู่จิตใจมาประคองขิตนี้ให้ตั้งอยู่ภายในเพ่งลมหายใจเข้าออกให้ปรากฏ เมื่อจิตตั้งลงไปแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นเละพิจารณาร่างกายธาตุสีกขันธ์น่อันนี้ทําไมยังพิจารณาบ่อยๆนักพิจารณาบ่อยๆสิเพราะมันยังปรงไม่ได้วางไม่ลงอ่ะมันยังหลงไหลยอยู่ว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างี้นะเหตุนั้นมันจึงต้องได้พิจารณาอยู่บ่อยๆเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าความรู้มันก็ยิ่งขึ้นอ่าเป็นอย่างนั้น เมื่อความรู้มันยิ่งขึ้นแล้วมันก็เป็นเครื่องประกันไม่ให้จิตหลงไหลไปในเรื่องรักเรื่องชังเรื่องเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนานาอ่าเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าหากว่าความรู้นี่มันไม่ยิ่งนะถูกกิเลสมันมาหลอกลวงเอาก็หลงไหลไปตามมันแต่ก่อนเห็นว่ารูปนี่ไม่สวยไม่งามอยู่นะพอมันหลงเข้าท่านีนะ้กลับเห็นว่าสวยและงามอีกแล้ว แต่ก่อนได้ยินเสียงนั่นเห็นว่าไยเราะเพราะพิงเอ่อเห็นว่าเสียงนั่นมันก็ไม่ไม่ไพเราะเพราะพิงอะไรก็เห็นว่ามันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นไม่เห็นมีอะไรเป็นแกนสารเสียงทั้งมวลเมื่อมันประมาทั้งเผลอไปแล้วเดี๋ยวภายหลังมาก็ได้ยินเสียงนั้นเข้าก็เกิดว่าเสียงนั้นัพเราะอีกแล้วชอบใจในเสียงนั้นแล้ว มีวิทยุก็เปิดฟังเพลงอะไรอยู่อย่างนั้นนะเอาเพลงนะั่นกล่อมให้หลับให้นอนก็มีนะบางคนนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราพูกว่าเพื่อธรรมจันท์อย่าไปทำอย่างนั้นไปทาอย่างนั้นมันก็เสื่อมแล้วกิเลสมันก็หนาแน่นขึ้นในจิตใจแล้วเราไม่ควรเมื่อเรา เบื่อหน่ายต่อรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสตั้งแต่อยู่ในบ้านนั่นแล้วจึงได้เข้ามาอยู่ในวัดเมื่อเข้ามาอยู่วัดแล้วก็พย า, ายามทาความเบื่อหน่ายอยู่นั้นต่อไปเรื่อยๆไปอย่าให้มันกลับไปยินดีอีกต่อไปไม่ว่าพระไม่ว่าทีเหมือนกันเลยมันก็ต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้เสมอไป เช่นนี้การประพฤติพรหมจรรย์มันก็เก้าออกไปได้ขอให้เข้าใจกันเพราะว่าไอความหลงนี่นะ่ะเมื่อมันยังละไม่หมดนะไปไประเผลอสติแล้วมันก็หลงไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ามีสติอยู่อย่างนี้กาหนดได้อยู่เคยพิจนาเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างไรอยู่ก็เห็นอยู่อย่างนั้น เช่นนี้แหละมันก็เป็นเครื่องประกันไม่ให้หลงไม่ให้ไม่ให้จิตพลิกแพงไปไปเห็นผิดไปเห็นไปเห็นผิดไปจากความเป็นจริงไปอย่างนี้นะของนั้นไม่สวยไม่งามมันก็เห็นว่าไม้สวยไม่งามอยู่นั้นตลอดไปนี่เรียกว่าจิตไม่กับกอกเป็นธรรมดาเมื่อปฏิบัติยังไม่เข้มแข็งมันก็อาจจะหลงไปบ้าง อพอมันหลงเพล่ไปในรู้ตัวแล้วก็รีบสำมรวมจิตเข้ามาภายในทันทีมากำหนดละปล่อยวางกันกำหนดละปล่อยวางกันลงไปจนว่าอารมณ์นั้นดับลงออกไปจากจิตใจอย่าให้มันข้องค้างอยู่ได้นี่เป็นอย่างนั้นการทำความเพียรนี่นะเราต้องเอาะละการกับทันหันเลยวันเดียว อย่าไปคอยอย่าไปคอยให้ว่าต่อไปนั้นจึงจะเพียรละมันวันหน้าจึงจะเพียรละมันอย่างนี้นะนั่นไม่ได้ไม่ทันกับความหลงไม่ทํากับกิเลสเมื่อจิตใจยึดเอากิเลสอากนั้นมาแล้วมันก็เพาะให้กิเลสอันนั้นมันออกลูกออกหลานออกไปมีกําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆเผื่อว่า มีโอกาสจะมาเพียนละมันทีหลังมันก็แทบแย่ในแบบนี้นะาทาความเพียนยังไงยังไงจิตมันก็ไม่ลงให้ไม่รวมให้เพราะกิเลสมันมีกำลังผลักดันจิตไว้ให้สงบลงไม่ได้ดังนั้นนะอย่าพากันประมาททุกคนต้องคิดพึ่งตัวเองแหละจะไปพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่เรื่อยไปมันไม่ได้ดอกไม่ได้ จะพึ่งได้ยังไงสักหน่อยเราก็ตายจากกันแล้วแต่ไม่ทราบว่าความตายจะมาถึงเวลาไหนาแต่ละคนละคนอ่าไม่มีใครรู้ได้เลยดังนั้นเราก็เตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราได้เตรียมตัวไว้ฝึ ก, กจิตให้เข้มแข็งตั้งมัน่นอยู่ในบุญในคุณมีปัญญาความรู้ความฉลาดสอนจิตนี่เสมอไปให้มันละกิเลสอันที่ยังไม่ละไม่ได้นั่น ละต่อไปกิเลสอันใดละมันไปแล้วก็จะไปฟังสมมันกลับคืนมาอีกอกิเลสอันใดที่ยังละไม่ได้ก็เพียนละมันออกไปได้ทีละน้อยก็เอาแต่เมื่อเราเพียนไม่ถอยมันก็ค่อยหมดไปหมดไปในตัวละกิเลสนะ ม, มันสำเร็จแล้วด้วยความเพียนทั้งนั้นเลยอะไรอะไรก็ดี ถ้าขาดความเพียรเสียแล้วไม่สําเร็จแน่นอนนะเพราะว่ากิเลสนี่มันเหนียวแน่นมากมันสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในจิตใจอันนี้มานับชาตินพบไม่ทวนแล้วพิจารณาดูให้ดีดังนั้นเราเกิดมาชาตินี้รู้จักแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติไปมันก็ยังละกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยเด็ดขาดยังไม่ได้ นี่ก็แสดงว่ามันฝังรกฝังรากร า, ากของมันเหนียวแน่นมากยากที่จะถอนให้ออกไปได้แต่พระพุทธเจ้ากระทรงตรัสว่ามันไม่เหลือวิสัยขอให้ทําความเพียรไปสร้างสมบุญกุศลไปเมื่อบุญกุศลมากขึ้นไปเท่าไดแล้วจิตใจมันก็มีกําลังมากขึ้นเท่านั้นออมันสามารถกําหนดละกิเลสต่างๆลงได้เออ ไปอย่างนั้นเรื่องมันนะกิเลสต่างๆมันกลัวทั้งแตกคนมีบุญมีคุณอยู่ในใจเท่านั้นแหละถ้าคนบุญน้อยวาสนาน้อยลงไปแล้วกิเลสมันไม่กลัวอะไรกิเลสมันขย่าจิตใจมันฟุ่งซ่านเลื่อนลอยนั่งก็ไม่เป็นทุกข์นอนก็ไม่เป็นทุกข์เอาแล้ววุ่นวายอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไปนอย่างนั้น แสดงว่าบุญน้อยมันจึงตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาแต่ว่าถึงอย่าะไรเมื่อมันรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทำความเพียรเพ่งพินิษฐเข้าไปตั้งความอดความทนลงในใจอดไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไปตามอํานาจของกิเลสเราเพียรอดเพียรทนไปอยู่นั้นนานเข้าเอ่า อำ น, นาจแห่งความอดทนมันเป็นตปะปาทำเป็นเครื่องแผลเผากิเลสให้เราร้อนนั่นแหละอนุภาพแห่งความอดทนก็เผากิเลสอันมารบกวนจิตใจให้เราร้อนให้อ่อนกำลังลงไปโดยลำดับไปเช่นนี้จิตใจมันก็ได้กำลังได้รับความสงบมากกิเลสมันระ ง, งับไปได้เท่าไรจิตก็สงบไปเท่านั้นจิตก็เยือเกเย็นไปเท่านั้น ถ้ากิเลสมันยังมากอยู่อย่างนี้จิตก็สงบลงไม่ได้แล้วก็เราร้อนด้วยไม่เยอเือกเย็นเลยก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละไออนุภาพแห่งกิเลสตัณหานะต่เมื่อมันเกิดขึ้นแก่ใครก็ให้พี่นายเห็นโทษของมันอย่าไปนึกว่ามันดีมันควรส่งเสริมนั่นแหละมันตัวก่อให้เกิดทุกข์มันนาไปสู่ทุกข์ก็กิเลสที่มัน ครอบงำจิตใจเอาใจให้เลาร้อนเดือดร้อนอยู่ด้านเละมันจะนําพาให้ไปสู่ทุกข์ในโลกหน้าต่อไปก็ต้องเตือนตนอย่างนี้นะอืเมื่อเตือนตนได้อย่างนี้เมื่อเตือนจิตใจ้อย่างนี้จิตรู้สึกสํานึกตัวแล้วมันก็ไม่ยอมให้กิเลสครอบง ำ, ำย่ำเยียจิตใจอย่างนั้นต่อไปอมืมันก็เพ่งเ พ, งเพียนเพ่งละมันเลื่อยไป เรียกว่าเพ่งกำหนดใจละมันเรื่อยไปไม่ส่งเสริมให้มันมากขึ้นมันอยู่ที่ใจอย่างว่านั่นแหละถ้าใจเราไม่ชอบกับกิเลสบาปธรรมแล้วก็เราเพ่งละมันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่ชอบกับมันแล้วปล่อยให้มันลอยนวลอยู่ตามสบายมันก็ไม่ดับแลเมื่อเราไม่ชอบกับมันแล้วเราก็สู้กับมันเมื่อเรามีกําลังใจเข้มแข็งเราก็ละมันได้ไป มันก็โซ่จิตไม่ได้มันก็ดับไปเนี่ยมันก็ดับไปเป็นขั้นๆไป <c oughs> เมื่อเราโซ่ไม่ถอยมันก็ค่อยเบาบางลงไปอันกิเลสแล้วนะ่ะขอให้พากันเข้าใจเราจะมาทำความเพียรขมาคัมเมน้นเอาเป็นเอาตายนะต้องละกิเลสให้ได้อย่างนี้มันอย่างนั้นมันยิ่งละไม่ได้ถ้ามันความเพียรเกินขอบเขตไปนะ เดี๋ยวก็เกิดจิตวิปลาสไปต่างๆนานาให้ทังที่เราเห็นกันหมู่นั่นแหละเห็นกันมาหมู่นั้นนะเป็นปอย่างนั้นแต่จะไปอ่อนแอเชยชาเกินไปก็ไม่ถูกเหมือนกัน น, ะนั่นแหละคําว่าทางมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนะ่ะกาญย่าลืมอันนี้ก็ดีนะทําความเพียรก็ทําให้มัน พอดีพอดีกับกำลังกายที่จะเพิ่งกระทำได้ก็อย่างนี้แหละแล้วการที่เราคิดอะไรนึกอะไรก็ดีก็ต้องพิจารณาให้พอสมมาสมควรเมื่อรู้ความจริงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปรงก็วางลงไม่ถือมั่นไว้แม่ดิมิตต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะ ก็เตือนใจตัวเองให้รู้ว่านั่นเป็นเพียงนิมิตไม่ใช่ธรรมของจริงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอย่าไปใส่ใจกับมันนี่เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตมันก็หดเข้ามาอยู่ที่เดิมไม่ส่งไปตามนิมิตนั่นนั่นแล้วไม่นานอนิมิตนั้นมันก็ดับไปเองมันมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจแต่อย่างไรให้นิมิตต่างๆที่มันเป็นพิษต่อจิตใจของบุคคล ก็เพราะว่าเมื่อนิมิตนั้นปรากฏขึ้นแล้วจิตใจไปยึดถือเอานึกว่าเป็นธรรมอนวิเศษนี่มันเข้าใจผิดไปแล้วก็ส่งจิตไปตามนิมิตนั้นไม่ทวนกระแสจิตกลับคืนมาอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมูลเหตุที่จะให้คนเร า, เามีกายมีจิตวิปริตไปต่างๆนานาน่นนนะก็ให้รู้ไว้ ผู้บำเพ็ญเพียรดังจิตใจทั้งหลายไม่ต้องหวาดกลัวว่าภาวนาในกลัวจะเป็นบ้านั่งสมาธินานๆเดี๋ยกลัวจะเป็นบ้าเข้าใจผิดไปเข้าใจอย่างนั้นนะ่ะเรานั่งสมาธิไปเราตั้งจิตให้มันถูกต้องแล้วไม่มีเป็นบ้าเลยก็อย่างที่แนะนํามานี่เราเอาปัจจุบันนี่นเป็นหลักนะเอเมื่อรู้ว่าจิตมันส่งไปตามนิมิตตาม ภาพต่างๆแล้วอย่างนั้นแล้วก็เตือนตอนว่านั่นไม่ไม่ไม่ถูกทางการส่งจิตไปตามลิมิตไม่ถูกทางอย่างนี้นะมันก็ทวนกระแสจิตกลับมาหาความรู้อันเป็นปัจจุบันนี่มาประคข้ประคองความรู้อันนี้ไว้อนะืมแล้วนิมิตต่างๆนั้นมันก็ดับไปเองทําทําได้อย่างนี้แล้วไม่มีการเกิดดิบาราตต่างๆนานาไม่มีหรู้จักทวนกระแส กลับมาหาความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันนี้ได้อยู่แล้วรับรองว่าไม่ไม่เป็นนะอ่านเป็นอย่างนั้นแม้เราจะนั่งภาวนานานยังไงถ้าเรากําหนดรู้เท่าอยู่ขันหันเป็นปัจจุบันนี้อยู่ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้นะไม่มีทางวันที่เป็นบ้าเป็นบ้ายอย่างที่ข่าวลือกันต่างๆนะั้นนะแต่จริงอยู่บางคนมันไปยึดถือในมิตรเอานั่งได้นาน เมื่อนั่งนานแต่แลราส่งจิตไปตามนิมิตนั้นอย่างนี้นละมันก็เกิดบ้าขึ้นสิแบบนี้ก็จิตนี่นะเมื่อสติมันไม่มาเข้ามาประครับประครองแล้วมันก็เหลวไหลเลยนะอวันไว้ไปตามนิมิตสสารที่จิตมันยึดมันถือไว้นั่นนะมันก็เลยลืมตัวไปนะไม่ทราบตนทำยังไงพูดยังไงไม่รู้ตัวอะไรแบบ น, นี้นั่นแหละ ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะนั่งอยู่สมาธิอยู่นานเท่าไหร่มันก็ได้ได้ได้แต่โทษนะคุณไม่ได้เลยอืมแต่ผู้นั่งสมาธิภาวนาเนนะี่ยไม่หลงปัจจุบันเะนี่ยหายใจเข้าก็รู้อยู่ให้ใจออกก็รู้อยู่อันจิตแท้ๆเรามีอยู่ในอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองเนละอดีตมันก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงจะลองคิดดูสิเรียว่า จิตคือความรู้สึกได้มีอยู่แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะแล้วจึงว่าเอาสติเข้ามาประคองความรู้สึกันนี้ไว้ให้ตั้งมั่นแล้วเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องนั้นๆให้เห็นแจ้งถ้าไม่จริงแล้วก็ปล่อยวางไม่จะถือไว้ปล่อยวางแล้วก็รวมจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ตามเดิมแล้วไปๆแล้วถ้ามีเรื่องอะไรที่จะมาควรพิจารณานี่ก็เอา พิจารณาเรื่องนั้นพิจารณาอยู่ในสมาธินั่นแหละ <Sie. S 1> คือว่าเรามีความสงบของจิตนั่นเป็นพื้นฐานของปัญญาหมายความว่าอย่างนั้นอ <100. S 1> ันพิจารณาในขณะที่จิตสงบอยู่นั่นนะพิจารณาอยู่กับความสงบอยู่กับที่นั่น <c oughs> นะรู้เห็นอะไรก็รู้อยู่กับที่นั่นแหละอย่างนี้นะแล้วโปรงวางความยึดความถืออะไรก็วางอยู่กับที่นั่นเเมื่อทาได้อย่างนี้นแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรอ่ะไม่มีวิป ร, ราตไม่เกิดความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนานาไม่เกิดไม่มีขอให้เข้าใจโอภาษแสงสว่างต่างๆพวกนี้ไม่ใช่ทำของจริงอ่ยมันเป็นวิมันเป็นวิปรืตหรือว่ามันเป็นสัญญาวิป ร, ราตคือความจาในแสงสว่างอนั้น เข้าใจว่าเป็นธรรมอันวิเศษอย่างนี้นะนี่เราเรียกว่ามันวิปลาสเนะแต่ถ้าหากว่ามันเห็นแสงสว่างอย่างนั้นแล้วนี่ก็กำหนดพิจารณาได้ว่าแสงสว่างนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่ใช่ธรรมอันวิเศษเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจิตไม่ยึดไม่ถือแล้วไม่เป็นไรอะ่ะถึงเวลาดับมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะ ให้เข้าใจนี่วันนี้เียว่าแสดงถึงเรื่องทางผิดด้วยทางถูกด้วยให้ฟังกันบางคนก็อาจจะหวาดกลัวที่มีคนเป็นวิปลาสต่างๆให้เห็นแล้วแล้วไม่อยากไม่อยากภาวนาก็มีก็อาจจะมีอยู่นะนี่นั่นเรียกว่ายังไม่เข้าใจในทาง ปฏิบัติทางจิตใจได้แน่นอนถ้าผูใ้ใดเข้าใจในแนวทางปฏิบัติทางจิตใจแน่นอนแล้วเคยทำมาอย่างนี้เได้ผลมาอย่างนี้แล้วโอ้ใครชีวิปลาดอย่างไรยังไงไปเราก็ไม่หวั่นไหวหรอกเพราะของเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่เราเราเป็นเราอยู่อย่างนี้เรารู้ตัวอยู่อย่างนี้มันจะเป็นอะไรวะนั่งภาวนาหมดคืนมันก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ขอให้เข้าใจ เมื่อภาวนาทำใจสงบแล้วพิจารณาอะไรคล่องแคล่วในใจแล้วอย่างนี้นะก็ก็จำอุบายอันนั้นไวเ้เราทำอย่างนี้อย่างนี้ใจยังสงบล o องเราพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้มันจะเกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้นะจำอุบายอันนั้นไวให้ได้แล้ววันนี้เวลาออกจากสมาธิมา ก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นอย่าให้มันเสื่อมอใช่ว่าความรู้ความเห็นอันที่เป็นหลักสําคัญแท้ๆก็ไตรลักษณะญาณ น, นี่แหละอันนี้นะคืออ น, นิจจังทุกขังอนาัตตนี่ยความรู้ความเห็นทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนยากลําบากเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาเป็นแด่เพียงอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่า น, นั้นร่างกายสังขารอันนี้ก็ดี สมบัติเข้าของเงินทองบ้านช่องเพื่อนฝูงอะไรตัวอะไรามาใสกันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะจิตมาใสอยู่ในกายนี่ก็ชั่วคราวอืเมื่อหมดบุญเก่าแล้วก็ต้องร่างกายนี่ก็คุมกันอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายลงจิตนี่ก็ต้องถอนออกจากร่างนี้ไปนี่แล้วจะมีอะไรเป็นของเราบ้างนี้นั้นแหละเจริญปัญญานะ่ะพิจรารณาไตรลักษณ์พญา น, นิให้ เจมแจ้งขึ้นในใจแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนี้เสมอเสมอไปอย่าให้เสื่อมพิจารณาอะไรเห็นอะไรก็ลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งเลยเห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรสูดดมกลิ่นอะไรรีมรสอาหารการบริโภคของสัตวงน์นี้สัมผัสถูกต้องร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ดีโม่เนี่ยก็ต้องให พิจารณาให้เกิดความรู้ความเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาทั้งนั้นสัมผัสทั้งหกประการนี่ไม่มีอะไรเที่ยงยัง่งยืนเลยให้รู้ให้เห็นอยู่อย่างนี้ไปแล้วก็เออไอ้ที่เราสั่งสมบุญกุศลมานะัมันก็ไม่สูญไม่หายแล้วก็มีแต่เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรืเออ่อยๆดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้